كان موتوا إذا كان نشور أعوذ ب ك ل م ا ت اللهم ا ت م ن ش ر ما خلق بسم الله الذي لا ي ض ر مع اسمه ش ي ء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب ا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول اللهم إني أعوذ بك من ا ل ك س a و i n a l k a s i ربي أعوذ بك من عذاب في النار و ع ذ ا ب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصر سبحان الله و ب ح م د ه عدد خلقه ورضى نفسه وزن ة ع ر ش ه و מ י ا د كلماته يحيو ي ق ي و ในรั้งมัติก็สตั้งใหอัลทิผ์ลิฉันท์ทุกหละวะลตินีอีลาเนฟซ์ทัรฟะตัยนพี่น้องที่รักนครับพี่น้องที่ร่วมนมารที่มัสยิดและพี่น้องที่ติดตามรายการอยู่ที่บ้านของท่านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาดาอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงชั่วโมงนี้ นะครับนี่เป็นความเมตตาของอัลลอ์นะเราต้องขอบคุณอัลลอ์ยกย่องสรรเสริญชมเชยนะครับสะดวดีทึ้งความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์สุบฮานหฮุอตอาดาเพราะการรำเรื่มตึงอัลลอฮ์นะครับทำให้หัวใจของคนที่รำเรื่มถึงอัลลอ์เนี่ยมีหัวใจที่สงบพอหัวใจสงบแล้วเนี่ยมารยายของเขาก็เปลี่ยนแปลง จากคนที่เป็นคนดูร้า ย, ยก็จะการเป็นคนนอบนอ้อมของตนขออภาอยู่ตลอดเลยขอบคุณนอบน้อมนะครับพี่น้องที่เราได้มีโอกาสมานั่งทบทวนอัลกุ ร, ารอานอาทิตย์ละสามอายะห์สอายะห์ไม่เยอะพท่าไอะแต่ถ้าหากว่าเราได้จำนะความรู้ที่ผ่านกุรอานนี่นะได้ความรู้เยอะมากกับละธรรมยุลิล เราเอาไปต่อยอดได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ um ่านคุณเราไปพบบอกว่าการลุกขึ้นนำมาตะฮจุอัลลอม่ได้พูดตะฮจุนะวาที่แบอย่างนี้ตาตาจับะจุนุบุมอานินมอโบญะใครที่ เอาสี้ามของเขาอยู่ห่างจากที่นอนของเขาทำไมใช้ภาษาแบบง่ายๆแบบนี้กวัาคนอ่านไม่เข้าใจเอาสี้ามของภูกเขาเนี่ยออกห่างจากที่นอนของเขาล้วก็ทําไมครับอยากจะเอาแนวรบบุ ม, มาวิงวอน <c oughs> ขอต่อพระผู้อาภิบาลของเขาเขาฟัน ระวังที่ขอในใจเ้วยอะไรด้วยความกลัวกลัวว่าอัลลอฮจะไม่รับความดีที่ทำว่าก็มานล้ก็มีความหวังมีความอยากอยากจะได้รางวัลที่เราทำความดีนี่อัลลอสั่งนะระวังที่เรานำมาอยู่เพราะท่านมาจะเป็นท่าที่อัลลอฮฺทรงพอใจที่สุดนะ ไม่มีท่าไหนที่จะดีเท่ากับท่ายืนท่ารุกล้าท่าสุญูดท่านักอัจฉยาเนี่ยสามสี่ท่านี่พร้อมกับรุอาท์ที่นบีสอนนี่นะนอบน้อมท่อตนต่อร้องเลยนะครับว่ามิมมารรซาคนาหุมยุงเิีกุ้นแล้วก็สั่งอีกนะครับสั่งกับนบีนะั้นแล้วสั่งคนที่อ่านคุณอาหารนีว่าริสกีที่อลัลลอฮ์ให้คุณ ริสกีที่อัลลอฮ์ให้คุณนี่นะเปริสกีนะั่จากริสกีนั้นนะเอาไปบริจาคย่มไปกูนะไปดูแลดูแลใครบ้างหนึ่งจายประกาศ จ, จายสอรับก็จ่ายฮายาจายวากัฟแล้วก็สามีต้องรับผิดชอบดูแลภรรยาโอ้ oh, นี่ยอิสลามควบคุมชีวิตนะครับควบคุมชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยเอะยิงจองของอวดดีนน แล้วนอก น, ออน้อมทองจนต่อเอาล่ออยู่ตลอดเวลาครับนั่นคือหะดิษที่แล้วนะครับกานเมื่ออายะเมื่ออาทิตย์ทีแล้วเราได้รับความรู้คือการบุกเบิกนมาตาฮันจุนเนี่ยดีมากครับและอีกเรื่องหนึง่งทนายอิชชารายงานบอก ว, ว่าในวันเตียมะเนี่ยเอาล่อจะรวมคนตั้งแต่ยุคแรกถึงยุคสุดทา้ายยุคของเรานี้แหละยุคนบีมุฮัมมัดนีร่รวมกันที่ถึงมัสยิด แล้วอัลลอฮจะให้มลายิกามีประกาศใครที่ลุกขึ้นนมาตะหันจุดยืนขึ้นให้หมดตั้งแต่ยุคโนโ้นโนะยุคแร ก, กับยุคสุดท้ายเนี่ยในฮะดีษอธิบายบอกว่ า, วามีคนขึ้นลุกขึ้นยืนน่ะมาเยอะลุกขึ้นยืนมีไหมมีแต่คอลีนน้อยมากอัลลอฮก็บอกว่าเอา พาคนเหล่านี้ก็อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลล์ุพานูมอาลานี่ให้กำลังใจพวกเราอัลลอ์่น้อครับยิ่งใหญ่เลยเดจ น, นกลางน้ำมาเนี่ยการเข้าหาอัลลอฮ์เฝ้าอัลลอฮ์นี่ดีที่สุดถามว่าลุกขึ้นน้ามากับนอนเนี่ย อ, อันไหนอร่อยกว่ากันคาตอบปูลุกขึ้นน้ามาเนี่ยอร่อยกว่าในภาษาในภาษาอาหรับเรียกว่าอรัา ลาซีสแปลว่าอร่อยถ้าอันรัตาอร่อยกว่าการลุกขึ้นมานมาตะฮัดยุตตอนดึกๆนี่นะอร่อยกว่านอนอนไม่เชื่อที่ทูนะดลเอาวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้เรามาถึงอายาที่สิบเก้าของสุรษัจจะพี่น้องท่องจำสุรษันี้ให้แม่ให้แม่เลยเนะพราะมันไม่เยอะนะไม่ไมีอายาแล้ ท่องจำแล้วก็ให้อ่านก่อนนอนทุกคืนอัล่ะเออแบัพยายามอานถามว่าอายุเราเท่าไหร่แล้วบางคน80บางคน70บางคน60นี่แหละท่องจำตุรอานเยอะๆกัน้องนะอุรอาวันนี้นะครับ อ, อายุ ท, ที่1ุกอา ม, มัลลาดีนะอามานุวะมิลุสวาลิฮะ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أ َ م َ ن َ ا ل َ ذ ِ ي ن َ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ทำโ ด, ดเยเอาย่า น, นี้พี่น้องทาอธิบายก็คือว่าคนที่มีอีมานคนที่มีอีมานคือเรียนอีมานศึกษาเรื่องอีมานแล้วก็มีอัมั่นที่ตอเลียควบคู่กันนะมีอีมานอย่างเดียวไม่ได้นะตน้องมีอัมั่นทีอตอได้ด้วยคู่กันอัลลอฮฺจะตอบแทนสวรรค์ อ, อ, อ๋อไม่นอนยังอืน่นไม่มีอ๋อเราจะตอบแทนสวรรค์ใหนน้นะครับอดูสับนะอามาอามาไปวสวนบรรดาสวรรบรรดาผู้ที่อามานุศรัทธาตวนบรรดาผู้ศรัทธาคาว่าศรัทธาเนี่ยตรงกี่ข้อนะกี่ข้อหกข้ออ่า อีมานต่อ alon อีมานต่อรอสุนอีมา่นต่อคัมภีอีมานต่อมาลาอิกาอิมานต่อวันสิ้นโลกอีมานต่อกฎกตอกดัดที่เอารับกำหนดเอาไว้กตอกดัดในอธิบายยังไงต้องนึกอยู่ประจานะใครรวยใครจนเอารับกำหนดใครสุขภาพแข็งแรงใครป่วยเอารับกำหนดมากำหนด ใครมีปัญหาเดือนรอนที่เข้ามาหาเขาอยู่เดือนละครั้งสองเดือนครั้งปัญหาทําให้เราเ ค, เครียดนั่นนะนันมาจากอัลลอฮ์ต้องฟกขณะนั้นเราต้องนึกตรงนี้ด้วยอ๋อปัญหาความทุกข์เข้ามาหาเราทําตัวอย่างไงต้องนึกที่มาจากอัลลอฮ์แล้วความสุขความสบายแข็งแรงเนี่ยมาจากใครอัลลอฮ์เราต้องดูแลตัวเองด้วยนะขณนะะนั้นคําว่ารอก็ได้หมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะเป็นความทุกข์ความสุขกับตัวเรากับภรรยาเรากับลูกๆ ก, กับทรัพย์สินของเราทั้งหมดเหล่านี้เอาเราทดสอบทุกครอบครัวไม่เหมือนกันทดสอบคนะะะะะมม ล, ละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างอามันลดนีนามานส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาศรัทธายังเดียวไม่พอนะต้องตามด้วยวามิรุสโอลเลคตอาเมล่าประวัติธรรม ประกอบพฤติธรรมอัสวอรคฮะแต่ว่าการดีทั้งหลายเป็นพระผู้พ้นนะต้องปฏิบัติการดีทั้งหลายหรือความดีทั้งหลายไม่ใช่อันหนึ่งอันใดนะต้องหลายหลยอยา่างมีอะไรบ้างหนึ่งนามาศสองสิกรลุลลอก์เนี่ยสามให้อภัยคนสี่ทำดีกับพ่อแม่นะครับห้าติดต่อกับเครอือญาติเนีมีงานอามันที่ซอนแนบหมดเลยนะ เะนั้นวามิลุสโวเดียเขาปฏิบัติหรือเขาทําการดีทั้งหลายอิมานได้ปฏิบัติความดีทั้งหลายนั้นเหมือนใครก็เหมือนรปดาสหบ้านนาบีได้ปฏิบัติทั้งา่านนาบีจะให้รูปแบบในการนมาตอภาษาสหบ้านเขาทาตามนาบีหมดนะครับตัวนี้ได้อะไรคก็ป่าดาฮุ่ม ว่าดังนั้นลาหุมแปบลบว่าสําหรับพวกเขานี่เป็นรางวัลแล้วนะยันนตุนยันนตุนแปลว่าสวรรค์ยันนาทิพย์ภิพุทธสวรรค์อัลลอฮฺอัลบารหลากหลายสวรรค์อัลลอฮ์สรางว่าสวรสวรค์มีความดีเยอะไปหมดนะครับอัลมาวัวมาวัวแปบลบว่าที่ทำนั่งสวรรค์เป็นที่ทำนั่ง ของคนที่มี إيمان กับคนที่มีอามาันทิสรอแล้วอัลลอฮฺเดี๋ยวลองครับนี่คือรางวัล น, นะอนงวัล น, นั้นยิ่งยากกับคนที่มีอีมานอ ي م ا ن นี่ต้องเรียนไหมล่ะต้องเรียนครับไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็มีวาฮีลงมาเราเนี่ยไม่ใช่มันนบีข้อมัดคนเดียวเดี๋ยวยิบบีมาแล้วเอาเอาอามาันทิสรอแล้วมาอาทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้การให้อภัยเนี่ยมันอัมันอยู่โซเล่ไให้อภัยคนคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันน่าให้อภัยเลยแหละตามหลักทั่วๆไปก็มินิการให้อภัยก็กยกเราแต่คนที่มีอิมานเนี่ยเขาให้อภัยขอยกตัวอย่างนะเรื่องเกล่าวที่เราได้ยินมาแล้วอ่ะท่านอบูบักรอถิย อ, อ, อัลลอฮฺว่าเป็นคอลิฟาด้วยนะตําแหน่งนะ สองเป็นสัฮาบะสามเป็นเพื่อนท่านนาบีอายุแกกว่านาบีสองปีเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับนบีนบีพูดอะไรเชื่อหมดเลยมีวันหนึ่งลูกสาวท่านอบูบากนะท่านหญิงไอาชาเป็นภรรยาของท่านนาบีด้วยนะมีหลานของท่านอบูบากเองใส่ใส่ร้ายว่านาไอาชาเนี่ยมีชู้เรื่องใหญ่มากเลยนะมันกระทบ กระทบใครกระทบท่านอบูบัคด้วยกระทบนบีด้วยกระทบยินอิชชาด้วยออมรอมมันเสียหายหมดเลยนะแล้วคนที่ใส่ความแล น, แ น, น, น, น, ม น, นะใครญาติท่านอบูบัคด้่ยฉะนั้นคนที่ที่ด่าดากันวันนี้นะเปจะคนอื่นคนใกล้ชิดหมดเลยแล้วก็ท่านอบูบัคประกาศฉันเลิกช่วยธรรมดาก็ช่วยอาหารข้าว เงินใ่าจะจ่ายก็ช่วยมาตลอดพอสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาท่านไม่ช่วยประกาศวฉันงดช่วยและอลัลลอฮประธานอัลกุรอานลงมารับรองความบริสุทธิ์ของท่านญิไอชิชชลงมาก้าวอาย่านี่นองอลัลลอฮฺยินยายมากนะครับทีนี้พอประธานลงมาเสร็จแล้วก็ทุกคนก็สบายใจแฮปปีโอ้หมดหมดความกังวลแล้วนะ แล้วต่อมาลอดบรรดาอันกูอ่านลงมาอีกอีกอายาหนึ่งมาให้ท่านนาบีให้นบีไปบอกท่านระบุบักที่สัญญาว่าจะไม่ช่วยนะเลิกเลิกนะกลับไปช่วยเหมือนเดิมพอท่านนาบีเดินหน้าท่านระบุบักก็เล่าให้ฟังโ อ, อ้ยนี่รอดร่าให้ช่วยเหมือนเดิมอุ้ยก็ใช่อ้าวแค่ก็จะช่วยอะไรน่ะให้มากกว่าเก่าอีก นี่เขาจะให้อภัยใช่ไหมล่ะลึกๆเลยไหมฮะอยู่แล้วจะต้องเอาลอสสั่งผ่านนบีมาบอกให้ให้อภัยเธอเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยในความผิดของของท่านด้วยถ้ามีอยู่ในนั้นจะให้อภัยนี่การให้อภัยเนี่ยเป็นงานที่งานที่มีบริการเป็นอา m a n u a l l อเพราะฉะนั้น Alladi aman Alladi naamanu wa amilus salihat taatin pada buatin sata ต้องเรียนรู้เรื่องอม ي م าด้วยนะต้องเรียนทุกวันอิหมานีเน่เรียนอาทิตย์ละครับก็ไม่ได้ต้องอ่านเองศึกษาเองดูแลเองตลอดเวลาแล้วก็มีอามันคือซอนนะยังไม่พอฟาดฮุมจันน่าตุล ม, มวาวะอัลลอฮจะจัดสวนสวรรค์ให้เป็นที่พ่ำนักเป็นที่อยู่อาศัยอัลลอฮฺเป็นบ้านเลยคนระับสบายแล้วยังไม่พอนะต่อมาอีกคำหนึ่งนูซูลัน อัลลอฮอธิบายคํำนี้เ ย, ยอะนูซูลันนูซุลนูซุลแปลว่าเป็นการต้อนรับต้อนรับใครคอ่ะทูลย์ใหญ่เราจะต้อนรับแขกอย่างนัหละการต้อนรับเนี่ยมาถึงการต้อนรับแขกฉะนั้นคนที่อยู่ในสวนสรวรรค์คือเป็นแขกของใครเป็นแขกของ oh uh อัลลอฮฺสุลฮานนะฮูวาตานะอัลลอฮฺทูลย์ใหญก็อธิบายคำนี้นาะนูซูลันเนนูซุลุนแปลว่าเป็นการต้อนรับ นักดา่าไปว่าลงเดิมมันแปลว่าลงเห็นไหมครับอยาาบ่างนบีมูซาเนี่ยตอนที่หนีจากฟาโรหร์นะครั้งแรกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอ่ะไปนั่งหยุดโคนต้นไม้แล้วก็ไปพบกับผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงนี่เป็นลูกสาวนาบีชว่ว ย, ยด้วยแล้วก็ชว่วยเรียกผมผมไม่มั่นใจเแล้วผู้หญิงก็มาตานาบีมูซาไปนั่นแหละ การที่มันมีภาษีที่พักพิน่นะก็ได้ว่านุซุลอาฉะนั้นอัลลอฮ์นี่ให้เกียรติคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ว่าเป็นแขกอัลฮัมดีลลานูซุลแปลว่าเป็นการต้อนรับแขกฉะนั้นคนที่เข้าบ้านอัลลอฮ์ในรับแขกของอัลลอฮ์น่ะที่บ้านของอัลลอฮ์ในมัสยิดเนี่ยเรานั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยต้องคำรวมตนเยอะอัลลอฮ์กำลังอยู่บ้านของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็ต้อนรับแขกของพวกเรามัลล อ, อ Allah สอนนะ พอเข้ามาสัสยิด็จแล้วให้เข้าไปเท้าขวานะอย่าเพิ่มนั่งมสัสยิดนะจนกว่าจะน้ามารองราบาับอัดนี่เป็นการต้อนรับและสอนคนที่เข้าบ้านน้องล้อให้ทำตัวอย่างไรนี่เป็นความเมตตาข อ, อ, ยอยางน้องล้ออันยิ่งใหญ่นเองะครับที่เรามีทางนำนำสู่ชีวิ ต, ต, วตวของเราตกลงว่าฟาดาหุมยานนาตุลมาหัวสาหรับพวกเขานั้นมีสวนสวรรค์หลากหลายเป็นที่ผ่ำนัก พี่น้องท่องสาบด้วยนะมาวะได้สาบคราบนนี้มาวะเป็นที่ความนั้นเหมือนกันนบีก็สอนใครที่ให้ทิ้งให้ที่พักกับคนพินาะอัลลอฮฺจะลงโทษก็ให้ให้ที่กับคนดีๆอย่าไปให้ที่กับคนที่ทําอะไรฝืนหลักศาสนาโอ้ยยังครับนูซูลันเป็นที่ไรนะเป็นที่ อาศัยแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นการต้อนรับแขกบิมาการูยามาลูนตามที่พวกเขาได้ประกอบความดีเอาไว้บิมาการูยามาลูนตามที่พวกเขาได้ประกอบความดีเอาไว้อัลฮัมดุลิลละอุในตัมเซตภาษารับนะครับจากซาอุดีเนี่ยผมอ่านพวก็บอกว่าอธิบายอย่างนี้จันนาตุลมะวาน แต่ว่าสำหรับพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายเป็นที่พำนักเขาบอกว่ามะวาอัลลาซาสวรรค์เป็นที่พำนักที่อร่อยที่ถูกใจมากเลยอันที่สองอัลคอยรอดสวรรค์เต็มไปด้วยของ ด, ด, ด, ดีดีเรื่องไม่ดีไม่มีเลย อ, อันที่สามวามะมาฮัลลุลอัฟรอ สวรรค์เป็นสถานที่อยู่แล้วสบายใจนะข้อที่สี่วานายมุลคุลุปที่อยู่ในสวรรค์พออยู่แล้วหัวใจด้วยสบายด้วยไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะวิญญาณหัวใจร่างกายหอดอีบันดาเนี่ยมีที่สบายแต่ส่วนใจมันสบายมีไหมอนอนก็บนึกกนะับรออันนั้นมีปัญหามีปัญหา แต่ในสวรรค์ไม่มีกับทุสิงทุยางใน ม, มันครบบริบูรณ์ เ, เรื่องอิชาอลัลลอฮ์ดึงอ้อเรืออ่องโมโหอัลลอฮ์ดึงอออดึงอ อ, ออกที่จะเข้าประโยชน์ใน ส, สวรรค์ของ อ, ลอลลัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ว่ามาฮลลุฮูรุสสวรรค์เป็นสถานที่ที่อยู่ไปตลอดกาลไม่ต้องออกมาแล้วนะครับแล้วก็วันลนาอิลลาวัจฮี คนที่อยู่ในสวรรค์สามารถเห็นพระพักของอลัลลอ์ได้ด้วยแล้วก็วาซิมาอูคุต่อไสามารถได้ยินเสียงอลัลลอ์ด้วยอลัลลอ์จะให้สลามอลัลลอฮ์บอกวตานี่คือคำอธิบายของอลเลาะมาตัปเซ่ของประเทศซาอุดีอาระเบียผมก็นำมาอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับแต่เราในสวรรค์นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครัอาครับ สวรรค์นี้เป็นอย่างนี้สวรรค์มีทั้งหมดกี่ชั้นนะรอยชั้นอ่านจากตัปสีติปนุกสีติอธิบ า, บายบอกว่าเป็นฮัดิสนะครับอธิบายบอกว่าสวรรค์ชั้นแรกเนี่ยทำมาจากนั่นทํามาจากเงินทุกสิ่งทุกอย่างกูในสวรรค์นั้นทำด้วยเงินหมดเลยนี่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะ สวรรค์ชั้นที่สองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นทำจากทองชั้นที่สองนะชั้นที่สามทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยทำมาจากไขมุกอ๋อ <Allah. S 1> <c oughs> คุณจะสวยนะดูนะนี่เล่าเล่าให้ฟังนะขอชั้นที่เก้าเก้าถึงรอยหนึ่งไมาได้อธิบายอธิบายบอกว่า อาดตัตลีบาดิยอลเฮินมาลาอายนุเราอัดอัลลอฮเตียวมาไว้สาหรับบ่าวของฉันที่เป็นคนสอนแรกเท่านั้นนะตาของเขาไม่เคยเห็นนั่นสวรรค์ชั้นที่เกสบเ้าเนี่ยตาของเขาไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกดวงจันทร์เนี้วันาอูยนุนซาม่อัดหูของเขาไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนแล้วก็หัวใจของเขาไม่เคยนึกจินตนาการนึกไม่เคยนึกมาก่อน ผมรู้ว่ามันชั้นที่เก้าุเก้านะเก้าสุ้ารอยหนึง่งสองชั้นเนี่ยพิเศษมากเลยคุณน้องเนี okay. ่ยโอ้โหชั้นที่หนึ่งทำมาจากอะไรนะเงินชั้นที่สองจากทองชั้นที่สามทำจากลุลุ่ยแลว่าไข่หมูชั้นที่9ก้าสุด้าขึ้นไปเนี่ยทำมาจากอะไรนะตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินหวัวใจไม่เคยคึกมาก่อน อธิบายอย่างนี้พราะนัจินตนาการจินตนาการไม่ถูกนะจนั่นที่น้องเข้าสวารรค์ดีกว่านะขอพระอ์สอหรนะครับขอตัอต้าให้เราเป็นชาวสวรรค์คนจะเป็นชาวสวรรค์ต้องมีสองข้อนะอมานกับอะไรนะอามันที่ศอนล้วโอ้หามเรเดี๋ยวมีใจต่อมาครับอาจารย์คนอีกนิดหนึงภรรยาณบนวกับภรรยาณบีรุดเป็ น, านปชาวสวรรค์ป่ะ ไม่เป็นน่คิดนะเพราะไม่อิมานขาดอีมานอย่างเดียวไอ้ยากรักกันอยู่ในบ้านเดียวกับนบีนะกินหม้อข้าวหม้อเดียวกันนะนอนบนที่นอนออกเดียวกันหมดอยู่ด้วยกันหมดตลอดเวลาเลยแต่ว่าเมียไม่เชื่อ Allah แล้วก็ไม่เชื่อนบีว่าสามีเป็นนบีซะหรอกไอ้ยาไม่ใช่กินเล่ากินยานะ ไม่ใช่พี่กินเล่ากินยาเล่รรมะของของพระรามไม่ ม, มีใจมีอย่างเดียวไม่เชื่อนอัลลอ์ Allah. ตกนรก่ะนี่ใครเล่าใา้ฟังนะอัลล์เล่าให้ฟั ง, นะ Allah, ฟงคุณอ่านตรงไหนครับว่าเรบอัลลอฮุมัสัลลิลลารีนักฟารุมรัตันุฮิวะมุรัตันุทลกันัตต์ตัพตะเบดายลิมอบานีนาซุลัฮิอัลลอฮ์ แล้วก็ส่วนภรรยาฟาโรห์ไปไหนไปสวรรค์ทําไมครับเพราะภรรยาฟาโราลลาาานนาห์นั่นยิมานอัลลอฮฺผ่านกายผ่านนบีมูซ่าเลยฮิศนาได้ไปสวรรค์เห็นไหมอัลลอฮฺบอกว่ยิ่งใหญ่นะจะนั้นภรรยานาบับดุลโมฮัมหไม่จะทำไม่จะไม่จะทําบาปอย่างอื่นนะไม่เชื่ออัลลอฮฺอย่างเดียวนะจบเลยชีวิต จะบนดจอัลล ah, ์ให้ไอัลล์ให้เอ้าไปไปเอาอะไรเชิญใช่เอาต่อมาะที่สวอัลลน้นฟสกุฟมวฮุมุนนารกุลลมอรดูยัครูจูมิน อ้ ي งอ ا งด فيها و ่าดีแลَ้ม ل ลุค ا อาดับน ي ร ق มุล ذ ค ب อาดِบนาร์ที่คุณทุ่มบิ่นจะคด ذ บุนَ่าอัลล و ا ินาฟัสกุฟะม م อวะหุม ا าอ كلما أرادوا أيخرج منها ُ ع ي د و ا فيها وقيل لهم ُ و ا ع َ ا بالنار الذي كنتم به تكذبون الله أكبر อัลลอ์นี่อุตสาห์สวากอ่านกอ่านนะ น, นะอาดูซับนะอั ม, มัลลัลีนะส่วนบรรดาผู้ที่ฟาสากูอ่าตรงนี้แปลว่าฝ่าฝืนอ่าฟาซิกเนี่ยคนชั่วอ่าคนที่ฝ่าฝืนคนชั่วคนบาปคนเลวนะสัจช า, ายกว้างนะคนชั่วคนบาปคนเลวคนคยลยใใหมดนหมดนะครับ แต่ตามสับปจริงแปลว่าฟ้าฝนว่าอัมมลลอีนาบฟาสบูละบรดาูฟ้าฝนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอัอมมลลอฮฺนัลลอฮฺอัมมออลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอมอัลลอฮฺอัลลอัล้อฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอัลลอฮฺฟัลอฮัลลอนฺอยอฮมัลลอฮอนลลัลลออัอฮัลลอฮฺ่ัลอีฺััอ ฟะมะวะหุมนอมามะมะวาขึ้นก่อนแต่อายาที่19เนี่ยจันนาขึ้นก่อนละมะวาที่หลังก็จนะสังเกตสังเกตนะฟามะ ว, วมะุมนะฟาไปว่าดังนั้นมะวาหุ ม, มที่พำนักของพวกเขาคืออะไรอันอที่เขาสังเกตนะทไมอายอายาสนะจันนตุลมะวา สวรรค์เป็นที่อำนาจพออายะพูดถึงคนชั่วที่อำนักคือไปสเกตมันน่าคิดนะเอาล็อให้เกียรติเอ๋ยคุณได้สวรรค์ก่อนเป็นที่อำนาจพอครูพูดถึงคนชั่วที่อำนักของคุณคือนรก <c oughs> อันไหนหนักกว่ากันโอ้อยังงี้เป็นตัวมันน่าคิดนะดังนั้นเราต้องอ่านพูดอ่านประชาราษฎร์บ้างโอ้ทำดีเลย ฉะนั้นที่อำนักของพวกเขาคือนรกสําหรับผู้ศรัทธาสวรรค์เป็นที่อำนักคตรชั่วที่อำนักของเขาคือนรกทีนี้นรกนกแบ่งออกเป็นเป็นเจ็ดขุมเอาเบาที่สุดนะอะไรเราง่าที่สุดเนี่ยยาานันนัาเบาที่สุดนะย า, านนามนบีก็ยกตัวอย่างคนที่ตกนรกย า, านนามก็คือ ลุงลุงดังมันอาญายการชิดนบีเลยนะปกป้องนบีดูแลนบีแต่ตอนจะตายนะไม่อิมานต่ออัลลอฮ์อัลลอ์เล่าได้นรับจะท่้นจะหันนำนะเบาที่สุดเบาขนาดไหน ย, ยืนอะไรนะทานใบเนี่ยร้อนๆนะ่ะเอาไว้ที่อุ้มเท้าแล้วก็เดือดที่สมอง มั่นบางที่สุดเพห็ น, นั้นครับถ้าไม่เอาวรรล้อยอย่างเดียวจะเป็นใครก็าตามไม่มีไม่มีค่าเลยชีวิตนะดังนั้นนะชีวิตของคนอยู่บนดุนยาเนี่ยต้องโยงกับอรรรล์ตลอดเลยอย่าอยา่อย่าลือมอรรรล์นะครับอ่าทีนี้ต่อมาครับกุลละมากุลละแปลว่าทุกๆุแปลว่าทุกครั้ง เราดพวกเขาทั้งหลายประสงค์หรือปรารถนาอิรอดไภาษนะาพุกธช่ายอิรอดไทุกๆครั้งที่ชาวนรกเนี่ยต้องการหรือปรารถนามีความอยากอายาครูยูขอรดจากยารูยูแปว่าฟูรุดแปลว่ า, วาออกออกจากอะไรครับมินฮาจากนรก ทุกครั้งที่ชาวนรกต้องการจะออกจากนรกออกได้ไหัหยออกมาเที่ยวเซนค่อนั้สามวันไม่ได้ออกไม่ได้กุลละมาอรอดูอิยครุยูมินะทุกครั้งที่ชาวนรกต้องการจะออกจากนรกอุไดูตรงนี้เป็นภาษาที่ ไอก็ใช่ไอ้หนะ้น่ะอก็ใช้สามคำนี้แหละอุ้ยดูแปลว่าอะไรนะจะถูกนากลับต้องการจะออกเอาลอตยัดกลับไปอีกอ้ดูฟีจะถูกนากลับสู่นรกอีกอลลน๋เน้นให้เข้าใจนะใครอยากจะออกนะอจะถูกอีกอ๋อรอพี่น้อง็นอยา ง, งครับ ใครต้องการจะออกจากนารกอยากออกก็ล็อกส่งกลับไปอยู่ในที่หนักกว่าเก่าเอยู่ว่าง่ายๆนะให้มันเคลแต่ะได้สำนึกตัววัดตีลาะลาุมก้อล่าแปลว่าเขาพูดตีล่ามีคนพูดกับเขากับเขงมาถึงเมลัยกะเข้านารกนั่แหละพูดว่างไงนะลูกูจงชิมนะลูกูแปลว่าจงชิม อย่าแม่บ้านชิมชิมมาหารก็ใช้คำนี้แหละนะครับรู้กูจงชิมบางคนอธิบายว่าจงชิมรสจงชิมอาณาบรรณาการลงโทษของไฟนรกทำไมใช่ภาษาชิมละ่ะอรนี่อนี่พูดจาดีมากเลยนะชิมเทสเดลามาเด็นนักเท่าไหร่ ไม่ไม่นานตโ่อรอเอาอะไรนะแค่อุ่มเท้าใช่ว่าไอ้นี่เดือดนะขึ้บนอ่ะมันเขาเบ้าที่สุดนะ่ะแล้วก็ร่างของคนของคนอยู่ในนรก<ม>อาดิต์มีอธิบาย<ม>เคยร่างให้ฟังแล้วใช่ไหนึ่งอะไรร่างเขาใหญ่หนังนี่หนาเท่ากับเดินสามวันโอ้โหนึกภาพเวลาจะนั่งทีต้งใช้ที่ตั้งแต่มักกะกับมาดีนั้นีน่อธิบายเองนะ ใชยที่ตั้ง400กว่ากิโลนะโหแส้งว่ดร่างใหญ่มากอ่ะันโรกอ่ะเอาใครอยากเข้าเชิญจ่ต้องออกทางดีกว่านะออกทางจักเนรกขออาบนนี้รับบนาอัตินาฟิ ด, ดุลยาฮาสัสานะวะฟิลอาคีรอติฮสัสานะวาคินาอัดาบนนะแล้วก็ติงหูนี่กับวัาไลานี่เดินกันไม่รู้จีวันกับจีวันหลาย น, นี่กับไลนี่เดินกัน70ปี รา่างใหญ่ก็ท่านหญ่เนี่ยฉะนั้นอย่าไปเข้าเหมือนเราดีกว่านี่นบีเลา่าในความเรื่องจริงทั้งหมดเลยครับว่าทีลาดาวุมรูกูอาซาบันนามีเสียงพูดนะครับหรือมีกล่าวกับพวกเขาเหล่านั้นว่ารูกูจงชิมอาซาบันนาดิการลงโทษของไฟนรกอัลลอฮกุนตุมบิฮิจุกะดีบุลอัลลอฮบอว่าซึ่ง เรื่องที่สูญเจ้าพูดว่าอิสลามนั่นเป็นเรื่องโกหกจุ ก, กันเรบุลแปลว่าพูดเท็จไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงไม่เชื่อว่าอิสลามมาจากอัลลอฮ์ไม่เชื่อว่านาบีมุ hammad เป็นนบีของอัลลอฮ์ไม่เชื่อว่านารกมีจริงไม่เชื่อว่าตายแล้วกลับฟื้นไม่เชื่อว่ามีทุกมาชัดไม่เชื่ อ, อ น, นั้นก็ถูกลงโทษจงชิมการลงโทษของไฟนรก เพราะท่านทั้งหลายอะไรนะปฏิเสธพูดว่าอิสลามเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องไม่จริงเห็นไหมเรื่องว่าอิสลามศาสนาเดียวเท่นั้นที่อัลลอฮฺท่าละพอใจนะแล้วก็นบีว่ามันตัวเป็นนบีจริงแต่ก่อนหน้านบียังมันมีนบีอีกเท่าไหร่อีกยี่สิบหายีท่านก็เป็นเรื่องจริงที่ไม่มีชื่ออีกเท่าไหร่เป็นแสนแต่ที่เล่าก็ยี่ท่านเท่านั้นเองอัลลอฮฺบัดโมลินเดอร์เลยครับ อัลลอฮฺบอกบ่นนบีขอานะวาอานอายะนี้นบีขอูอ่านอย่างนี้อัลลอฮฺมะ أعزمي من النار อัลลอฮมะ أعزمي من النار อัลลอฮมะ أعزمي من النار อัลลอฮฺจะให้ชัดปลอดภัยจากไฟนรกไิด ب ن ا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة วะกีนาอาซาทีนาเนี่ยวัคสุท้ายเนี่ยวะกีนาอาซาบนรณาบกป้องเราออกจากไฟหนาวไปเถื่อนบีจะขอถวาอย่างนี <repetition ceu> ้อยู่ตลอดเวลาท่านนบีเป็นคนดีก่รออยู่แล้วนะแต่ต้องขอถวาเพื่อเป็นเป็นแบบอย่างให้กับอุมมาของท่านนบีมหามัตละลอบิสอ่ต่อมาครับยสิบเ ولا نذيقنهم ول من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر לא allahum yarj'oon Allah อัลลอฮนูดีคอนะฮุบเนี่ยกับรูปูนะซับอันเดียวกันจงชิมแต่ตรงนี้แปลว่าเราจะให้พวกเขาเหล่านั้นชิมอย่างแน่นอนว่าละนูดนูดีคอนไหนคอนหน้าเนีย่ยไหนนูตะที้ตรงนี้นแปลว่าแน่นอน เราจะให้พวกเขาเหล่านั้นชิมอย่างแน่นอนชิมอะไรครับมีนาลาเการลงโทษลงโทษเนี่ยมีอยู่กี่โลกอ่าบนจุญญามีไหมนะกว่ายานี้นะลงโทษบนดุญญา เ, เรียกว่าอาซาบิลอานา อดนาอาดาบุลอดนาการลงโทษการลงโทษอันใกลน้นี้หมายถึงลงโทษบนดุนยาอดนาแปลว่าอดนาแปลว่าดุนยาศัพท์เดิมมันอ่ะดุนยาแต่ว่าใกล้จะหมดอายุแล้วอดนาแปลว่าใกล้จะหมดอายุฉะนั้นดุนยาแปลจริงๆก็คือเป็นโลกที่ใกล้จะหมดอายุแล้ว นี่เตือนนะศาสตร์ภาษารับแต่ละคำันี่ยมายอมอยู่อังกฤษไหมดเลยนะดุญญนยาแปลว่ากลาาก้าจะพินาศแล้วอันดนาอันกล้ายนี้แสดงว่าการลงโทษของมนุษย์นี่นะบนดุนยาก็ถูกด้วยทีนี้มันต่า ง, างกันนิดหนึ่นงนะคนมุมินอยู่บนดุนยาเนี่ย มีบาลล่าไหมมีมุสีบัลเขาเรียกเขาเรียกมุสีบัลไม่เรียกว่าบาลาตัวคนกาเฟนน่ะเรียกว่าบาลาแต่สําหรับมุ ม, มีเรียกว่ามุสีบัลอ่าฉะนั้นอย่างนาบีมุ h a m m a d เป็นบุคคลตัวอย่างมีบุคคลดีใช่ไหมมีมุสีบัลปะมีครับนบีเคยป่วยหกเดือนยาฮูดีมาใส่ของนบีใส่ของน่ะนบีเราอังบัตไม่รู้ ยิบรีก็ลงมาบอกเนี่ยท่านได้ถูกของนะคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ใส่ท่านทําท่านละของได่อยู่ในบอ่อน่ะให้คนไปงมเอามาเอามาทําลายซะแล้วให้อ่านอุอา บ, บ น, นี้อ่านสามปุ่นทุกอ่านอ่านอนยายะคูซีแล้วโรคบางคนก็จะหายนั่นขณะเป็นคนดียังถูกมุสีบ้างและเราก็ยังไม่ถูกอ่ะแตนี้มุสีบ้านี้สองอย่างนะหนึ่ง ถ้าเรามีความผิดอยู่แล้วก็ถูกบัลลังกให้เจ็บไข้ใดป่วยเงินทองขาดหรือน้อยลงมีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาเพื่อลดบาปในข้อที่หนึงนะเพื่อลดบาปสองจะหาว่าเราไม่มีบาปก็จะเพิ่มรางวัลความดีให้กับตัวเราเองฉะนั้นเวลาถูกมุสีบามาในยอวยวายต้องนั่งเงียบงี้ประาอุดวกขอมูชขอมูช นั่งอยียงนี้ยมรณาหมัดลาดมาพวกกับผมก่อนที่จะเดินทางกลับกลับบ้านไปประชุมที่ไหนอโคกเมาโคกเมาไปพวบกันที่บ้านบะบูไปเออพูดด้วยตาพูดด้วยคุยกันสองสามชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินทำดีดีเลยไม่เล so, like, uh, so so huh? ่าเล่าอยู่ๆเรื่องเรื่องเรื่องคุยได้เยอะแต่ไม่เล่านะครับ ตกลงว่าอาซาบุลอาดนาการลงโทษอัในใกล้มีนะและอีกอย่างหนึ่งดูในอซ า, าบิลอักบัตก่อนที่จะการลงโทษอักบัตแปลว่าอะไรหนักแปลว่าใหญ่ตกลงว่าการลงโทษที่ใหญ่มีไหมมีเมื่มอไรใ น, ในอาขอุกีนักยุไรบุบบอย่างก็ ที่สอนให้เราเข้าใจว่าการลงโทษนะมีทั้งบนดุนยาและก็มีทั้งอาคือเราแต่สำหรับมุมิน้อัอลลอเจ็บไข้ได้ป่วยมุมินต้องนึกนะนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺนะอัลลอ์เตือนนะทำอะไรผิดไม่ไหมเตือนซะเอาสำนึกสานึกผิดเอาตอบบาตัวตอบ้าซะอัสซาดุลลอฮฺฉันทาผิดฉันทำผิดฉันทำผิดฉันทผิ ด, ผ ด, ผดต้องนึกตลอดเวลาเลยครับ Ada j e m i azab yang ni azabul akbar azaban makwaniik, jejuk kah na dah naik, kong lucik. Ataupun kita probanaatina di dunia hasanat, wafil akhirat hasanah, wakin azaban Allah Taala. Nih ayat ni terus terus macam azab di dunia ni mac, ni dega azabul adnan, suan azab di akhirat, wazabul akbar. อาะิม ก, ก, กว่าใหญ่กว่าตันนะคัถ้าคนเป็นมุสลิมนี่พ อ, อ่านคือัลฮุตาส ว, มออมว า, าวมัลอบอัลฮัมดุลิลลา์ฮุลิลลา์อานดูดูุอานนะวะลาูดีคอนนะฮและแน่นอนเราได้ให้พวกเขาเนี่ยลิมมีนลบิลอาดนาการลงโทษอันใกล้นี้อาดนาไปว่าใกล้นะครับ มายถึงการลงโทษบนโลกดุนยาใบนี้ดูน่าจะบิลอัคบัรก่อนการลงโทษอันหนักหมายถึงการลงโทษในโลกอาฟิโระมีอีกน้องขอดัวอานตอนลาดะะ้วยใอย่าให้ถูกลงโทษเอาแค่ดุนยาพอแล้ว <c oughs> แค่ดุนยาพอแล้วอุลลม่าบางคนอธิบายว่ากูโบก็เป็นไม่ของดุนยาเหมือนกัน นอนอในกุโบถูกงลงโทษนี่เป็นของอาที่ถ้าไม่เรียนไม่เรียนกูอ่านไม่รู้เนาะมีลงโทษด้วยละ่ะบอกมีครับลงโทษนายกุโบโนะอาสาอะไรรู้ไหมีสองอย่างอาสาปากชอบนินทาคนแล้วก็อาสาบยืนฉีฉ <c ười> ีล้วไม่ลากไม่สาถูกแน่โอ้โหแบบนี้เนี่ยฉะนั้นอาสา บ, บุลอาดนะ กรรอาญา บ, บุญอักบัติอาสาอาณาคืออาสาบนดุนยาแบนี้ก่อนตายกับอาสาบหลังตายคืออาสาบุลอักบัติอาสาที่ใหญ่กว่าที่หนักกว่าที่ทรมานมากกว่าและแน่นอนกับเราได้ให้พวกเขานั้นลิมการลงโทษอันใกล้นี้ก่อนการลงโทษอันหนัก ละอัลลอฮุมยาร์เยอนเพื่อพวกเขาหรือหวังว่าพวกเขาถูกเจอเจออาดาบบนดุงดานี้นะเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้กลับรอจะอาบแปลว่ารู้ยุแปลว่ากลับกลับตัวอัลลอฮ์ักว่าสว่พสิกับนะกับมุสาวดูนะว่าพาสว่าสติว่ากับอะนั้น ให้เขาถูกลงโทษบนดุลยานี้เล็กๆน้อยๆก็ต้องนึกไม่สบายัวหัวเอ๊ะปวดหัวทํำไมเงิเ น, นทองขาดโอ้โหทําไงถูกด่าบ้างอะไรบ้างนึกถูกด่าทําไมแสบใจ ไ, ไมมแน่นอนที่สุดกดทนลดโทษลดโทษลดโทษลดโทษ น, น, นั่นนึกบินเป็นอย่างเอาใครเป็นแบบเอาท่านนาดีเป็นแบบว่าถูก ลงโทษถูกหนักมากกว่าเราหลายเท่านาบีป่วยสวาบไปเยี่ยมเอามือไปจับไปจับที่นบีร้อนชาเลยสวาบถามว่านาบีทำไมท่านร้อนน่กเพราว่าคุณรู้หรือเปล่านาบีกับคุณนีไม่เหมือนกันนบีนเวลาจะเป็นไข้ยืนนะ้ำไข้ร้อนกว่าคุณสองเท่าอ่ะคุณแค่เท่าเดียวชันจะเป็นหนักเห็นยังครับ ความเมตตาพระบิดาในการเจ็บไข้ในปวดเป็ความเมตตานะบอกว่าฉะนั้นเราเย อ, อย่าโวยวายอะไรเยอะไอ้เนาะคนที่หนักกว่าเรามีมั้ยมีอาหารไม่มีกินสั่งมือสองมือเนี่นบีกินอะไรอินทผาลกับน้ำดำๆแล้วเราโวยวายทาไมอะ่ะนี่มันสอนเราหมดนะครับจะนั้นอยู่บนดวญใจเนี่อัลลอฮ์ดูแลอยู่แล้วนะขนาดดูแลอัลลอฮ์ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบถ้าเราระวังตัว อดทนอัศ บ, บัดละมันขอุัาก็มีรางวัลตอบแทนจากอมร์สุภาณูวาทานแล้ตัวลงว่าอาสาบดุลยานี่มีไว้เพื่ออะไรคำตอบลาลามูมิยาริยูนเพื่อพวก เ, เขาจะได้กลับตัวเป็นคนดีประเมินตนเอง อ, อัศวบวัดดีมั้องอมเิลิาะต่นนี้หลายคนเนี่ยถูกอาสาบดุลย า, าแล้วเพลิน อร่อยอีกเอกินเล่าต่ออีกดีกว่าเอาอยาบ้าต่อ อ, อีกหน่อยเอารอจะเริ่มมาถูกลงโทษมาถูกฟิตเตอ์นามาแทนที่จะกลับเืิอกลับด้วยวอย่งข้าคุปเนี่ยมัน่งให้เข้าวอะไรดีก ว, ว่าขอได้ความรู้เพิ่มมาอีกอ่ะข้างใ น, นอ่ะใช่ไหมอยจะไปเข้าประคองตัวให้ดีดีก ว, ว่าอาทีนี้โบรามาอธิบายอย่างนี้เขาว่าอาจจะบุลอ้านาเนี่ย การลงโทษอันใกลน้นี้ลงโทษบนดุนยาเนี่ยอธิบายยังไงหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยสองเงินขาดแคลนเจบกันทุกคนข้อที่สองถูกฆ่าตายด้วยดาบนะนท่านอิบเนมัสอมุตอธิบายนะซอบ้านนบีเรื่องที่สาม อิบนอับบาสอธิบายว่าคนที่ถูกลงโทษตามหลักการอิสลามเช่นไปลักเขาเนี่ยต้องถูกตัดตัดมือนี่เขาเรียกว่าอาซาบุลอาดนาไปลักเมีข ม, ม, มีราคาว่ากี่แสนกี่ล้านกี่หมื่นลักภาพจับจได้ตรงตัดมือนะครับต่อมาครับข้อที่4ีอาซาบุลอาดนาหมายถึงแห้งแล้งแผ่นดินแห้งแล้งฝนไม่ตกผดชาด้วย ข้อที่หาอาซาทกูโบบุลรมาอธิบายนะข้อที่หกพี่น้องอาซาบุญญากุลลุหาอาซาบุญญาทุกชนิดทุกรายการเลยเจ็บไข้ไปป่วยเงินทองขาดแคนภรรยาตายลูกดื้อบ้างอะไรบ้างนี่อาซาบุญญาทั้งหมดเลยข้อที่เจกอลาอิสราดีสินค้าแพงสินค้าแพง อัลลอฮ์มันขึ้นราคากันหะว่าอันนี้ก็เป็นอาซาบุญยาเหมือนกันอัลลอฮ์เมตตาคขวดโมบินด้วยนะอัลลอฮ์อยู่ในที่นี้อาหารแพงเงินก็นกแพงค่าใช้จ่ายเราก็มีแค่นี้แต่อาหารมันแพงนี่ก็เป็นอาซาบุญยาด้วยมีรางวันต่อแทนจากอัลลอฮ์ด้วยนะต่อมาข้อที่ข้อที่8นะครับอาซาบุลอาดนาฟิล ม, มาลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะครับ ถูกนุ่นถูกนี่ถูกนกังแก้ถูกโก้อะไรตั้งนี้นะเราทดสอบบนบนดุญญนยาสมุนเนี่ยมีทั้งหมดแปรายการด้วยกันจะไดีมาถูกทดสอบแล้วเนี่ยเพื่ออะไรครับละอันละหุมมียาเดียวเพื่อพวกขาวเรอแน้ใจะได้ประเมินตนเองกับเนื้อกับตัวตาบ่าตัวสารภาพผิดต่อร้องนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับอายสุดท้าย وَمَن ْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ ب ِ آ ي َ ا ت ِ رَبِّهِ ث ُ م َّ أَعْرَضُ عَنْهَا إ ِ ن َّ ه مِنَ الْمُجْرِمُونَ مُنْتَقِمُونَ วันอัลลอฮ์มูมิมมันลุกขี่รับยายาที่รับบิษทุกเมื่อเอาระด้วยอันหนาอินนาเมนอัลมุจิริมนัมุนตะกิมุนคุบะมุจิริมินอินนาเมนอัลมุจิริมินัมุนตะก a มุน เป็นคนดีมาตลอดพ อ, อต่อมาเสียคนคนดีมาตลอดนึกถึงอัลลอฮอ่านคุรานซิกุลละนมาดอยู่เป็นประจงก็ต่อมาต่อมาไม่เอาเห็นไหมผมมีเพื่อนอยู่คนอยู่ที่เซาล์แอฟริกาเรียนหนังสืออยู่กับผมในอินเดียรู้เด็กอามานาอมนาอ ม, นาอมนาันล้านคนเดียวนะ เป็นคนดีมากเลยนะเพราะกับอายุเศร้าอเมริกาเปี่ยเป็นอาีนอุลามายังเปลี่ยนะที่จดหมายมามหาผมหลายฉบับที่าเชื่อเพือนไว่ามัจะเชื่อเุื่ อ, อนป า, าก ร, าระดานไม่ใชคนเดีเนี่ยคนดีมาตลอดเสแล้วมาเปลี่ยนแปลงนิสั ย, ย, ยมันดี อ, นนอะไรนะแ่นีกอเยนเตือาาน ดูสับครับว่ามันอัลลามและผู้ใดเล่าจะอัลสลามไปว่าอาธรรมอาธรรมในวันเลวใครเล่าจะอาธรรมไปกว่าคนที่ ม, มิมันยุกิระบิอียตาิรบิมิ ม, มันผู้ที่ยุกกิระถูกเตือนให้รำลึกใครเล่าจะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้เตือนผู้ถูกเตือนให้รำลึก หรือให้ควรนึกถึงอัลลอฮฺบิอายาติรบี e, ถึงสัญญาต่างๆของพวกอภิบาลของเขาคือเคยเป็นคนดีมาก่อนมีคนเตือนมีคนสอนแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีแล้วต่อมาเป็นไงไม่เอาใครหรือบ้ล่าที่ไม่เอาเนี่ยก็รู้ก็รู้เนี่องมาก่อนเนี่ยอ่านคนําพูด ต, ตอนก็ยังไม่รวยครับ อ่านกอมพิวเตอร์ตลอดอยู่กับนบีมูซาพออัลลอฮ์ให้รีสกี้ความความไม่อ่านตลอดแล้วในในในในวินนชาตา่างประวัวาสารอธิบายระวังเลาในตอนระวังตัวนะบางทีดีมาตลอดมันเสียตอนแกไม่ไหมฉะนั้นยายายา ย, ายังไงเลี้ตอนหนุ่มๆตอนแกให้ดี อย่าเอาดีมาจนเรามาเสียตอนแก่ไอ้เนแย่มากที่สุดแล้วฉะนั้นอลัลลอเนี่ยมองคนตอนไหนรู้ไหมตอนโค้งสุดท้ายก่อนตายอย่าลืมนะโคง้โคงสุดท้ายก่อนตายนี่นะเป็นโค้งสุดท้ายที่ที่มีบรรัมคาดนะจะเราประคองตัวเองจนกระทั่งตายได้นะห้ามโดยลิลเลยถ้าประคองตัวไม่ดีนะพ้าแล้วก็เจออาญานี้เหมือนกันนะอลลอเล่นงานะอย่างหนักเหมือนกันนะ ว่ามันเอาลมมิมมันจุกกิรบิอายาติรบิและผู้ใดแล้วจะรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกเตือนให้รำลึกถึงสัญญาณต่างๆของพระผู้อาภิบากของเขาซุมมา อ, อาโรกอันาแล้วก็ซุมมาหลังจากนั้นอาโรอ หันห่างทำตัวเฉยเมยไม่สนใจหันหลังให้อาราธอั น, นะครับนึกถึงอัลลอและต่อมาทำตัวออกห àng, อ่างอาราันาทำตัวออกห่างอินนามินัลมุจริมีนมุนตติมุนมุจริมแปลว่าคนชั่วอ่า คนที่ดีแล้วต่อมามาเป็นเปียนเป็นคนเลวเรียกว่าคนชั่วนะ่ะแท้จริงคนชั่วนั้นเป็นไงครับมุนตะกิมุนมุนตะกินแปลว่าถูกลงโทษสั์เดิมแปลว่าถูกแก้แค้นอ่าอาลัลลอฮฺจะแก้แค้นคนเหล่านี้ด้วยการลงโทษอย่างสาหัสเลย มุ่นตาตินแปลว่าลงโทษแบบสาหัสแบบหนักๆเพราะอะไรครับเป็นคนดีมาก่อนเพราะแกใกล้ๆจะตายก็กลายเป็นคนไม่ดีอย่าเนี่ยอย่าทำอัลลอฮ์นี่อัอลอลอฮ์เตือนเราเข้าใจไหมถ้าเราอายุเยอะๆนี่ต้องต้องระวังตัวเองต้องขออุดมคติเยอะๆอัลลอฮ์จะให้ฉันได้รักอัลลอฮ์มากกว่าเกา่าพี่น้อง อ่านคูนอ่านมากกว่าเก่าท่อจงจำอ่ากคูอ่านมากกว่าเก่านมามสุลนัดเยอะๆพเพราะกลาจะตายอยู่แล้วอย่าเป็นคนที่ลืม Allah, อัลลอฮ์เห็นคนนี้มันไม่เอาศาสนาแต่มันรวยอ่ะเอออยู่แบบมันดีกว่ามังอ่าไปเลยน้องนั่นแบบอย่างนก็คือซอว์บ้านนบีอัลลอฮ์มีอยู่คนหนึ่งอายุยาวร้อยกว่าไม่ตาย ในสบายนบีมีอยู่คนหมันแชซาวบ้านนบีเลนเขาก็กลัวเขาสงสัยเนี่ยมีบางคนขอทูอาให้ฉันอายุยาวหรือเปล่าเพราะอายุยาวมากๆเนี่ยไม่ดีนะหลงด้วยทําอะไรให้ถูกด้วยฉะนั้นถ้าอายุยาวๆแสดงว่าร่อนลงโทษมั้งทั้งอย่างนี้มันนี่นี่มันไันมันมักระทบใครเลยนะเล่าเรื่องจริงๆให้ฟังฉะนั้น คนสมัยก่อนเวลาก็ขอดุอาให้อายุยาวมาถึงลงโทษเท่านั้นชีวิตของนดีเ ท, ท่าไหร่62และคกสิบสาก็ร่างสวยไปฮัมเดียเราเนี่ยเราไหยมันจะได้เจ็ดสินนบแล้วนะฮัมเดียฮัมเดียเรนองขอบคุณแล้วก็คุณอานคุณสอนเราเตือ น, อ น, น, อ น, น, นกันนะครับเอามาอย่างสุดท้ายก็คืออะไรนะท่านกอตาดาบอกว่า ท่านทั้งหลายจงระวังนะอย่าเป็นคนที่ออกห่างศาสนาโอ้ระวังไงดีท่านกตาดาสั่งนะนบีสั่งอีกนะเป็นคนดีมาก่อนเสร็จแล้วก็มาทิ้งศาสนาอันนี้อย่าทำ อ, าอัลลอักรใครที่ทำตัวดีแล้วก็มาเลวตอนแก่เนี่ยเอาล่อลงโทษหนักในโลกอาคืออัลมากนักกว่าคอนอื่ทั้งหมดเลย ้วคมีามันไม่มน ا ل ل ه أ و ص ل ا ل ل ه م ح ع ل َ ه و